มอลลี่กับยักษ์ <S <S <S ก็ละครั้งหนึ่งยังมีชาวนาคนหนึ่งอศาศัยอยู่กับภรรยาและลูกสาวชาวนายากจนและกังวลว่าจะเลี้ยงดูครอบครัวได้ยังไงคืนหนึ่งยังมีข้าวเหลือพอพรุ่งนี้ไหมไม่เลยค่ะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะฉันเก็บฟักทองเอาไว้นิดหน่อยนะคะ คงจะพอทำซุปได้นะคะแต่ลูกสาวเรากำลังโตเธอต้องการสารอาหารมากกว่านี้ถ้าพวกเรายังกินแบบนี้ลูกเราต้องอดตายแบบน่พวกเราจะทำยังไงดีถ้าผมหาเงินได้มันคงดีกว่านี้มอลลี่ได้ยินเรื่องที่พ่อกับแม่เธอคุยกันเธอเศร้าใจมากและอยากช่วยพ่อของเธอ เธอจึงตัดสินใจเข้าไปในป่าลึกเพื่อเก็บเบอร์รี่โดยเธอคิดว่าจะนําบางส่วนไปขายและเก็บไว้กินดังนั้นเมื่อพ่อและแม่ของเธอหลับไปเธอจึงแอบออกมาข้างนอกและเข้าไปในป่าเธอเดินไปเรื่อยๆจนถึงตอนเช้าจนกระทั่งพระอาทิตย์ได้ขึ้นเธอนั้นได้พบกับสวนผลไม้ที่มีเบอร์รี่และผลไม้หลากหลายนาน า, นานชนิดว้าว ถ้าเป็นสวนผลไม้ที่งดงามมากคงเก็บได้เยอะเลยนะเนี่ยเอาไปขายต้องได้เงินเยอะมากแน่นอนเลยแต่ว่าเดี๋ยวนะมอลลี่สังเกตเห็นที่พักที่ถัดอยู่ไปในสวนผลไม้มันเป็นบ้านหลังใหญ่ามากๆเกินกว่าจะเป็นบ้านของมนุษย์โอ้บ้านใหญ่มากเลยแฮะยังกับบ้านของยักษ์แน่แต่ว่าฉันน่ะจะต้องได้ผลไม้กลับบ้านมอลลี่ เดินเข้าไปเคาะประตูอย่างกล้าหาญภรรยาของยักษ์เปิดประตูออกใครกันนะตรงนี้ค่ะคุณผู้หญิงโอ้โอ้ตายแล้วภรรยาของยักษ์ใจดีและพามอลลี่เข้าไปข้างในและเธอก็ได้ฟังเรื่องของมอลลี่โอ้ เธอเก็บผลไม้ไปได้เลยนะแต่ว่าต้องรีบเก็บหน่อยละ่ะขอบคุณนะคะเออแม่คะเธอดูเหมือนจะหิวด้วยนะ่ะเออให้เธอกินข้าวสักหน่อยดีไหมคะโอ้เกิดพ่อของลูกกลับมาละ่ะลูกก็รู้ว่าเขาเนือเกลียดมนุษย์มากแค่ไหนแต่แม่คะเธอดูหิวโซมากเลยนะคะแล้วเธอก็น่าจะอายุเท่าๆหนูด้วยนะ่ะแล้วเออก็ได้ เอานี่อ่ารีบกินนะจ๊ะก่อนที่สามีฉันจะกลับมาเขาน่ไม่ชอบมนุษย์เลยล่ะมัลลี่รับอาหารมาอย่างดีใจแต่เมื่อเธอกำลังจะเริ่มทานยักษ์ผู้เป็นสามีกลับมาบ้านทอนได้กลิ่นมนุษย์ที่นี่เออเธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงน่าจะอายุเท่าๆกับลูกสาวของเรานะคะปล่อยเธอไปเถอะนะคะได้โปรดนะคะพ่อได้โปรดแล้วคะ่ะ ยักษ์นั้นได้คิดแผนการขึ้นมาในทันทีอืก็ได้ถ้าลูกพูดแบบนั้นถ้างั้นอยู่ที่นี่ก่อนเถอะนะนอนพักที่นี่ก่อนก็ได้คืนนี้พรุ่งนี้เช้าค่อยกลับบ้านได้ป่านในีมันอันตรายมากเธอนอนกับลูกได้ใช่ไหม แน่นอนคะ่ะพ่อขอบคุณนะคะอ้านี่ของขวัญให้เธอลูกสาวฉันก็มีแบบนี้แต่เป็นทองคำโทษทีนะแต่ตอนนี้ฉันไม่มีทองเหลือแล้วลองใส่ดูสิภรรยาของยักษ์และลูกสาวมีความสุขมากแต่มอลลี่ก็ฉลาดพอที่จะไม่เชื่อความใจดีแปลกๆของยักษ์ ดังนั้นขณะที่นอนอยู่ลูกสาวของยักษ์หลับมอลลี่จึงได้นึ่งหมอนขนาดยักษ์เข้ามาไว้ใต้ผ้าห่มเธอและเอาสร้อยคอทองคําของลูกสาวยักษ์มาไว้ที่หมอนและนำสร้อยดอกไม้ของเธอไปไว้บนลูกสาวของยักษ์แทนไม่นานนักยักษ์ก็เข้ามาเขาแยกไม่ออกว่าใครคือลูกสาวของเขาและใครคือมอลลี่เขาคิดสักพักหนึ่งและคิดว่าลูกสาวของเขาคือมอลลี่ สร้อยคอดอกไม้ที่เขามอบให้เธอเขาเข้าไปเขย่าเธออย่างแรกลูกสาวของเขาจึงตื่นขึ้นพ่อคะอะไรกันนั่นเธอเหรอนี่เธอเป็นสร้อยคออย่างนั้นเหรอพ่อคะพ่อโกหกเราอย่างนั้นเหรอหนูคิดว่าพ่อจะใจดีกับเธอนะคะแต่ทําไมพ่อถึงใจร้ายแบบนี้ไม่ไทยนะลู ก, รกเรา ในขณะที่ยักษ์กำลังวุ่นอยู่กับการทำให้ลูกสาวที่กำลังโกรธสงบลงอยู่นั้นมอนลลี่ก็ได้ทำการวิ่งหนีเข้าไปในป่าเธอวิ่งเร็วแล้ววิ่งมาไกลมากเธอวิ่งตลอดทั้งคืนจนกระทั่งมาถึงสะพานแขวนที่ขาดแล้วบนต้นไม้มีเชือกเส้นใหญ่แขวนอยู่ติด ก, กับป้ายมอลลี่มั่นใจว่าตัวเธอเบาและรวดเร็วพอ เธอจึงนำเชือกขึ้นมาและโหนไปยังอีกฝั่งหนึ่งเธอพบว่าตัวเองอยู่ในอาณาจักรแห่งหนึ่งเธอได้เข้าไปพูดคุยกับผู้คนและรู้ว่ายักษ์ได้สร้างปัญหาให้กับพวกเขาพวกเขาจึงพังสะพานแขวนเพื่อไม่ให้ยักษ์เข้ามาและยักษ์ยังคงโหนเชือกมาไม่ได้เพราะเขาตัวหนักมากเกินไปมอลลี่ขอเข้าพบกับราชาแห่งดินแดนโอ้ เธอหลอกเจ้ายักษ์นั่นอย่างนั้นเหรอใช่เพคะฝ่าบาทแต่ตอนนี้หม่อมชั้นกลับบ้านไม่ได้เพคะมีทางเดียวที่จะทำให้พวกเราปลอดภัยจากเจ้ายักษ์ได้พวกเราจะต้องเอาดาบที่เป็นขุมพลังของเขามาให้ได้ไม่อย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะข้ามไปหาพ่อแม่เจ้าโดยเจ้ายักษ์ไม่มาถึงก่อน หม่อมฉันจะลองดูเพค้าฝ่าบาทเจ้าแน่ใจนะหม่อมฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับไปพบกับพ่อกับแม่หม่อมฉันหลอกเขาได้แล้วครั้งหนึ่งหม่อมฉันต้องทำได้อีกฉันสัญญาถ้าเธอเอาดาบของเขามาได้เธอและพ่อแม่ของเธอจะไม่มีวันหิวโหยอีกเลยขอพระทัยเพค้าฝ่าบาทช่วยทาดาบปลอมที่เหมือนกับดาบของยักษ์ให้หม่อมฉันด้วยนะเพคะดังนั้นมอลลี่จึงออกเดินทางไป เธอรอจนพระอาทิตย์ตกดินและแสงสว่างในบ้านยักษ์หายไปเธอแอบเข้าไปในห้องของเขาเธอแอบเอาดาบแวนไว้บนเตียงของเขาออกมาและใส่ดาบปลอมเข้าไปแทนจากนั้นเธอก็คว้างดาบออกไปผ่หานหน้าต่างที่มีทหารของราชารออยู่เสียงของดาบทำให้ยักษ์ตื่นขึ้นและเขาก็เข้าจับมอลลี่เธอเธอคิดว่าจะหลอกฉันได้นเล่ เอนี่กล้ามากนะแต่ฉันก็หลอกคุณได้แล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอว่ายังไงล่ะไม่ไม่ใช่ครั้งนี้หรอกฉันจะลงโทษเธอฮ่ยังไงเหรอฉันรู้นะว่าคุณไม่รู้ว่าจะลงโทษฉันยังไงงั้นเหรอถ้าเธอคิดว่าฉลาดมากนะหนหยลองบอกมาเซถ้าฉันเป็นเธอ เธอจะลงโทษฉันยังไงดีอ๋อฉันจะจับคุณไปที่ห้องครัวและยัดคุณใส่กระสอบอันใหญ่พร้อมกับเข็มได้หมาแมวแล้วก็กันไกลจากนั้นก็แขวนคุณไว้ด้วยตะปูแล้วก็เอาเข้าไปในป่าเพื่อเอาไม้มาติดไว้แล้วก็ลากกับพื้นมันคงจะเจ็บน่าดูนั่นน่ะเป็นการลงโทษที่สมบูรณ์แบบแล้วล่ะค่ะลองคิดดูสิ <c oughs> ดีมา เธอจะโดนแบบนั้นหรอยักษ์ทิ้งกระสอบห้อยไว้กับตะปูและออกไปหาไม้ในป่าหมาแมวและมอลลี่ต่างดิ้นไปมาในกระสอบจนหม้อและกระทะต่างๆในครัวตกลงมาเสียงดังมันทำให้ภรรยาของยักษ์ตื่นขึ้นเธอรีบเข้าไปในครัวและเห็นกระสอบบิดไปมาอุ๊ยนั่นใครน่ะ สามีคุณจับฉันมาที่นี่และถ้าคุณอยากเห็นเวทบน р а з в и т h พวกเราทํามันได้นะคะแต่ว่าสามีคุณอ่ะไม่อยากเห็นมันค่ะเห็นอะไรอย่างงั้นหรอนี่โปรดบอกมาเธอเวทมนอะไรหรออ่ะขอร้องล่ะบอกมาเธอก็ได้ค่ะถ้าคุณเข้ามาตรงนี้โอแน่นอนก็ได้จ้ะ ภรรยาของยักษ์สงสัยอย่างมากเธอยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เห็นเวทมนต์ที่อยู่ข้างในนั้นดังนั้นมอลลี่จึงใช้กันไกตัดกระสอบเมื่อภรรยาของยักษ์เข้ามาได้มอลลี่ก็รีบออกไปและใช้เข็มกับด้ายเย็บปิดรูแต่คงเหลือเอาไว้เพียงแค่รูเล็กๆ เ, เ, เท่านั้นคุณผู้หญิงคะคุณใจดีกับฉันนะคะแต่สามีคุณใจร้ายมาก เขาชอบสร้างปัญหาให้กับมนุษย์ดูเอาเองนะคะว่าเขาทำอะไรกับฉันและมอลลี่ได้วิ่งหนีไปเมื่อยักษ์กลับมาถึงบ้านเขาติดกระสอบกับท่อนไม้และพยายามที่จะลากมันไปภรรยาของยักษ์เห็นทุกอย่างผ่านรูกระสอบนั้นเฮ้ยเจ้ามนุษย์ ฉันจะแสดงให้ดูยอย่ามาลองดีกับฉันฉันเกลียดมนุษย์คนที่ภรรยาฉันจะตื่นฉันจะเอาเธอไปและมอบความเจ็บปวดให้อย่างสาสมภรรยาของยักษ์ตัดกระสอบออกมาด้วยกรรไกรและยืนจ้องเขายักษ์รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างแปล ก, ปลกเมื่อเขาดึงกระสอบ เขาหันไปและพบกับภรรยาของเขาที่กำลังโกรธคุณคุณสัญญากับพวกเราแล้วว่าคุณจะไม่ทำร้ายมนุษย์อีกแต่ว่าเธอพยายามขโมยดาบผมมากที่หลักนั่นแหละคุณถึงต้องห้ามทำร้ายมนุษย์อีกยังไงละ่ะคุณนะ่ะสมควรโดนแล้วฉันจะโยนดาบนั่นทิ้งเองคอยดูสิอที่หลักผมแค่หลอกเห็น ภรรยาของยักษ์คว้างดาบทิ้งออกไปแต่แน่นอนว่าพวกเขาไม่รู้ว่ามอลลี่ได้เอาดาบของจริงไปเรียบร้อยแล้วราชารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเขาเชิญพ่อและแม่ของมอลลี่มาที่อาณาจักรและมอบที่นาผืนใหญ่ให้ปลูกพืชมอลลี่และพ่อแม่ของเธอไม่หิวโหยอีกต่อไปมอลลี่ช่างกล้าหาญตื่นตัวและฉลาดมาก เธอไม่เคยยอมแพ้แม้แต่ตอนที่ยักษ์ขู่เธอนั่นทำให้สิ่งดีๆได้เกิดขึ้นกับเธอแล้ว